ได้ดูคลิปวิดีโอหนึ่งน่าสนใจค่อนข้างยาวนะยาวนี่คือ5นาทีสมัยนี้5นาทีก็ถือว่ายาวมากแล้วปกติคลิปวิดีโอก็ครึ่งนาทีนาทีหนึ่งใน Facebook นาทีแรกก็เห็นคนที่คล้ายๆเสียตันโออิชินะมาเป็นพรีเซนเตอร์ แล้วก็พูดว่าแจกตั๋วเครื่องบินแจกเงินแล้วก็แท็บเล็ตนะแต่พอมาดูชัดๆนะอันนั้นไม่ใช่เสียตันนะเป็นคนที่หน้าตาคล้ายแล้วเครื่องบินตัวเครื่องบินที่เขาให้เนี่ยก็ไม่ได้ไปต่างประเทศนะไปแค่ภูเก็ตไปทำอะไรนะพาเด็กตาบอด ไปสัมผัสกับทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตส่วนเงินหมื่นบาทที่ให้นี่ก็ไม่ได้ไปจับจ่ายช้อปปิ้งอะไรให้ไปช่วยเหลือสัตว์พิการที่บ้านปักเกรด็ดแท็บเล็ตที่แจกก็เอาไปเพื่อสอนคนแก่ให้เขารู้จักวิธีแชทสนทนากับลูกหลานเพราะว่าคนแก่เดี๋ยวนี้ อาจจะเรียกว่าจาเป็นแล้วต้องใช้แท็บเล็ตนะไม่งั้นก็จะสื่อสารกับคนใกล้ตัวได้ยากเพราะว่าลูกหลานก็เอาแต่ก้มหน้าเล่นไลน์เล่นลเฟซบุ๊กนะคนแก่ก็ต้องปรับตัวอันนี้ก็เป็นการาชิงโชคที่น่าสนใจนะชิงโชคเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นและคนที่สมัครหรือว่า มีสิทธิ์จะได้รับโชคนี้ก็ก็ไม่ใช่คนทั่ ว, วไปนะต้องเป็นคนที่มีความทุกข์ต้องมีความทุกข์ก็ให้คนที่สนใจเนี่ยเขียนมาว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังมีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วก็คัดเรื่องมาได้6คนผู้ชาย3ผู้หญิงสาก็มีคนนึงมีความทุกข์ เพราะว่าตัวเองเป็นนักแสดงอยากจะทุ่มเทชีวิตนี้กับการแสดงแต่ว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนแล้วก็ต่อว่าเขาก็อายุแค่20ตสิบนตนก็เครียดกรุ๊มองกรุ่มใจอีกคนนึงก็รักแม่มากนะ เรียกว่าทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเพื่อแม่ทำงานด้วยนะแต่ว่าชิดนันะ์ในายามว่างคือการดูแลแม่ที่ป่วยแล้วแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตก็รู้สึกเควงควางอีกคนหนึ่งสามีก็เพิ่งตายก่อนตายเนี่ยก็มีความฝันว่าจะมีลูกด้วยกันคบกันมา10กว่าปีแต่งงานไม่ได้สามปี ก็ยังมีลูกไม่ได้ตอนแต่งงานใหม่ๆเพราะว่าต้องทำงานท่านพร้อมจะมีลูกแล้วก็ท้องใน4เดือนสามีก็เสียชีวิตไปแล้วไม่รับรั้วตัวเองมีลูกนะอีกคนนึงก็เป็นนักธุรกิจนะก็ประสบปัญหาในเรื่องการทำมาหากินค้าขายก็ไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็แย่นะก็กลุ่มใจนะ ต้องปากกัดเต็นทีอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่เป็นผู้ชายนะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกับอยู่ในร่างของผู้ชายเสียงก็เป็นผู้หญิงถูกแกล้งถูกล้อถูกรังแกตั้งแต่เล็กทวนนี่ก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่เคยยอมรับ คนสุดท้ายนี่ก็เป็นนักเป็นช่างกล้องนะก็มีความใฝ่ฝันที่จ ะ, ะมีอาชีพนี้มีชีวิตเพื่อการนี้นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแถมมาเจออุบัติเหตุทำให้ร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยสุขสบายเท่าไหร่ปวดหลังนะอันนี้ก็เป็นคนที่มีความทุกขแล้วก็ได้นะได้ชิงโชคนะเขาก็ สองคนก็พาเด็กตาบอดนะไปภูเก็ตนะอีกสองคนก็เอาเงินไปช่วยเหลือสัตว์พิการอีกสองคนก็เอาแท็บเล็ตนี่แหละไปสอนคนแกนะ่เสร็จแล้วเขาก็ให้เขาก็สัมภาษณ์ว่ารู้สึกอย่างไรนะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น หรือไปช่วยเหลือคนที่ประสบความทุกข์ยากหรือว่าไปช่วยเหลือสัตว์นะที่พิการหลายคนก็รู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นนะมีบางคนก็ได้พบว่าเออความทุกข์หรือความสุขนี่มันเป็นเรื่องที่เรากําหนดมันอยู่ที่ใจเรานะความทุกข์ก็เป็นธรรมดานะถ้ามันถึงแม้ยังไม่ยังไม่หายไปไหนแต่เราก็สามารถสร้างสุขได้โดยการช่วยเหลือผู้อื่น เขาก็ถ่ายทําตัดต่อได้ดีนะคือถ้าดูตลอดเนี่ยทั้งห้านาทีก็จะรู้สึกได้แรงบันดาลใจแล้วก็มีความสะเทือนใจนะสะเทือนใจความทุกข์ของคนแต่ก็ยิ้มให้กับคนเหล่านี้ที่เขามีความสุขมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นโครงการนะชื่อว่าทุกชีวิตมีค่าทุกเนี่ย มันมีวงเล็บข้างหลังว่าขอไขกระรนก็แปลได้สองความหมายคือว่าทุกๆชีวิตเนี่ยมีค่าและขณะเดียวกันทุกของชีวิตก็มีค่าเหมือนกันนะนะความทุกข์นี่ก็มีประโยชน์อันนี้ก็ได้พูดไปหลายครั้งนะว่าสารชาพูดแล้วเนี่ยทุกเนี่ยมันพาให้เราเห็นธรรมนะถ้าเราฉลาดในการเกี่ยวข้องกับทุกมองให้เป็นนะ เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมได้หลวงพ่อคำแก่นท่านหนึ่งก็พูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เนี่ยคราวนี้เป้าหมายของกิจกรรมนี้คืออะไรนะก็คือคือคืมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยหากได้เห็นความทุกข์ของคนอื่นนะหรือว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยที่มีความทุกข์มันก็ช่วยทาให้ทุกข์เบาบางลงนะ ความทุกข์ของเราจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเมื่อเรานึกถึงคนอื่นอันนี้ก็เป็นคาถาขงคารทีเหมือ น, นกันนะคารทีเนเขาบอกว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยนะให้ไปหาให้ไปพบใหไ้ไปสัมผัสคนที่เขาทุกข์หนักกว่าเราและความทุกข์ของเราจะเบาบางนะมันจะเล็กลงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะาได้เจอได้มีประสบการณ์ทั้งตัวเองด้วยแล้วก็จากเรื่องที่คนเล่า ย่งเคยเล่าเรื่องน้องโยน้องโยเป็นเด็ก7จ็ขวบนะวันหนึ่งป้าก็ชวนน้องโยเนี่ยขึ้นซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนองคปรปฐมบอกว่าเจออุบัติเหตุนะรถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเจินป้านี่แขนหักไปข้างหนึ่งส่วนน้องโยเนี่ยขาเละไปหนึ่งข้างก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลย ตลอดทางเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จก็เลยสงสัยถามน้องโย ว, ว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยนี่คิดถึงป้านะสงสารป้าเห็นป้าร้องโอดโอยป้านี่ร้องโอดโอยตลอดทางเลย น้องโยเนี่ยเป็นห่วงป้าไม่อยากจะเพิ่มความทุกข์ให้ป้านะเพราะว่าป้านี่คงจะเสียใจที่พาเนาะพาหลานลักมาเจออุบัติเหตุแบบนี้น้องโยก็เลยสะกดต้านความปวดเอาไว้ขาเลขข้างหนึ่งนี่มันมันปวดมากนะแต่การที่เด็กคนนึงสามารถที่จะระงับนะอารมณ์ไม่ให้ร้องออกมาเนี่ย ก็ถือว่าเขามีกำลังจิตที่เข้มแข็งมากและการที่เขาทำอย่างนั้นได้ก็เพราะเ ถ, ถึงความทุกข์ของป้า เ, เมื่อสักสึกกับปีก่อนเนี่ยมีมีคนไข้คนหนึ่งนะแกอายุก็1 7บ8จแกเป็นโรคพุ่มปวงอย่างแรงเลยแล้วก็อาการหนักมากจะผ่าก็ผ่าไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่พร้อมก็จะว่าเรื่องเลือดเนี่ยมีปัญหา วันหนึ่งเพื่อนของเตามานเนี่ยก็คือเป็นนักบวชนะคาทอลิกก็ไปเยี่ยมเด็กคนที่ก็เป็นคริสต์นะพอเห็นคุณพ่อเนี่ยคนไข้ก็ตัดพ้อว่าทำไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้นะเธอมีความทุกข์ทรมานมากเพื่อนเตามาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะ พ่อก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้กับหนูกับคุณแต่ว่าก็ขอให้สวมดมนต์ถึงพระเจ้าแล้วก็ให้นึกถึงคนที่เดือดร้อนคนที่ทุกข์ยากนะที่อยู่ในห้องนี้นะให้สวดให้กับคนเหล่านี้ด้วยแล้วก็ให้รูปคำกับคนไข้คนนี้ไปเสร็จแล้วคุณพ่อท่านนี้ก็นี่คือทุนลาปไปต่างจังหวัด ไปเป็นเดือนเลยมาอีสานนี่แหละสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ได้แพร่หลายไปเป็นเดือนเลยนะพอเสร็จทุ่งลกลับมากรุงเทพก็รีบไปเยี่ยมคนลูกศิษย์คนนี้ปราะว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่ว่าที่แปลกใจก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในในหอผู้ป่ว ย, นยในวอร์ดเดียวกับเธอเนี่ยต่างชื่นชมเธอมากนะ ทุกคนชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันนะเพราะว่าเธอเนี่ยหลังจากวันนั้นแล้วเธอก็ขนขวายมาช่วยเหลือคนไข้ด้วยกันนะหาน้ําให้หรือแม่ก็พาเข้าห้องน้ำํำนะบริการผู้ป่วยทั้งที่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาการเบากับกเธออีกนะเธ อ, อากันหนักแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเนี่ยหน้าตา ย, ยิ้มแย้มนะ มีชีวชีวามากภาพที่คนไข้เหล่านี้เล่าเนี่ยมันตรงข้ามกับภาพที่บาทหลวงท่านนี้เห็นนะในวันแรกที่ได้เยี่ยมเธอแล้วก็เขาก็เล่าว่าเธอก็ตายอย่างมีความสุขตายอย่างสงบนะเหมือนกับว่าไม่ได้มีความทุกข์ทรมานอะไรเลย อันนี้ก็เขาจะเป็นเพราะว่าการที่คนไข้คนนี้เนี่ยได้นึกถึงนะเพื่อนที่ป่วยด้วยกันก็ทำให้ความทุกข์ของเธอนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะความกระตือเรื่องของเธอที่ได้ช่วยคนนั้นคนนี้เนี่ยมันทำให้ความทุกข์ของเธอเนี่ยมันเล็กไปเลยก็เรียกว่ามีความสุขใจแม้ว่ากายเนี่ยจะเธอมีความปวดจะทมีทมีทุกขเวทนา อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถตายสงบได้ไม่ทุรนทุรายผิดกับตอนที่บาตรหลวงเห็นเธอครั้งแรกนะการนึกถึงผู้อื่นนการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันมีอานิสงส์มากนะมันทําให้ความทุกข์ของเราเล็กลงคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยนะเขจะรู้สึกวความทุกข์ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่มากและพอคิดบนเวียนเนี่ยเกับเรื่องตัวเองเนี่ยบางทีก็ถึงกับ อยากจะตายอยากจะฆ่าตัวตายนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเคยมีนะผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็น เ, เด็กที่เรียกว่าเติบโตมาแบบลำบากมากเพราะเป็นเด็กกําพร้านะแล้วก็ตัวเองก็ถูกขายไปให้กับสำนักเรียกว่าอะไรคันติกาก็ได้นะเกอิชานะที่เกียวโตว แล้วก็อยู่อย่างลำบากยากแค้นมากนะถูกเขาอาหารการกินก็ไม่สะดวกที่หลับที่นอนก็ไม่ดีแล้วแถมยังถูกกดขี่อีกนะช่วนี้ลำบากเหมือนกันหนังเรื่องโอชินนะนะพอพอเธอโตเป็นสาวเนี่ยเธอก็มีความรักแต่ก็ผิดหวังในความรักแฟนก็ตายยิ่งมาได้ข่าวว่าน้องชายที่สนิทสนมก็ตายด้วยนะ รู้สึกเลยว่าชีวิตนี่มันแย่เหลือเกินมันเรียกชีวิตบัดซบก็เลยคิดฆ่าตัวตายแล้ววันนึงก็ตัดสินใจนะเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวหิมะตกเกียวโตนี่รอบเกียวโตที่เป็นป่าเธอก็เดินเข้าไปในป่าเนี่ยกะว่าจะให้กองหิมะเนี่ยมันท่วมทับเธอจนตายหรือว่าตายทําการความหนาวหน็บไม่อยากอยู่แล้วมันทุกข์มากเหลือเกินจะมีความสุขสักทีก็ ถูกขัดขวางแต่ก็มีคุณลุงคนหนึ่งช่วยแกไว้ช่วยเธอไว้พอคุณลุงได้ฟังเรื่องราวขงเธอคุณลุงก็พูดขึ้นมาว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยมีอย่างนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เธอทำนะก็คือกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากสักคนหนึ่งทําอย่างนี้ทุกวัน และถ้าเธอยังคิดอยากตายก็ให้มาบอกฉันนะฉันจะช่วยเธอตายสมใจอิวาสกีนี่ก็ได้คิดเลยนะก็เลยตัดสินใจนะไม่ค่าตัวตายกลับไปกลับไปไปทํางานเป็นคนรับใช้นางคันณิกาหรือว่าโป เ, เกชาแล้วก็ทุกวันเนี่ยเธอก็จะเริ่มต้นวันแรกก็ซื้อหนังสือไปให้เด็กยากจนที่ที่เป็นเด็กกําพร้าเด็กข้างถนนเนะ่ยเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ย ก็คงเมนเธอคืออยากรู้หนังสือเธอก็ดิน้นหลนตนกระทั่งอ่านออกเขียนได้แต่เด็กเรานเนี่ยถ้าอ่านออกเขียนไม่ได้คงจะลําบากเธอก็ซือ้อหนังสือไปให้ตอนหลังก็สอนเลยนะทุกวันก็สอนที่แรกก็สอนเด็กคนหนึ่งก่อนตอนหลังก็สอนเด็กหลายคนเด็กที่ชะตา ก, กรรมเดียวกับเธอสมัยเป็นเอ่อเป็นเด็กแปะว่าตั้งหลันั้นเนี่ยเธอก็ไม่เคยกลับไปในป่าเพื่อฆ่าตัวตายเลย ตอนหลังก็เป็นเคชาที่มีชื่อนะแล้วก็มีคนเอาเรื่องเท่าเรื่องราเธอมาเขียนมาทําเป็นหนังด้วยก็เรียกว่าเป็นหนังและนิยายที่มีชื่อเสียงมากเนะมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าเมื่อวานเืน้งพูดแล้วว่าคนเราเนี่ยถ้าหากเรานึกถึงนิพพานหรือนึกถึงความตายเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความทุกข์ของเราเล็กลงมันช่วยทําให้ปหัญหาของเราเล็กลงเช่นถ้าเรานึกถึงนิพพานเนี่ยเราก็จะเพราะว่าโอ้ การที่จะถึงนิพพานเนีมันต้องผ่านอุปสรรคมากมายมหาศาลเลยแล้วถ้าเราเจอแค่ความทุกข์แค่นี้เนี่ยแล้วเราจะมีปัญญาไปถึงนิพพานได้อย่างไรเหมือนกับว่าเราอยากจะปีนเขาที่สูงนะ 8,000 เมตรเขาเอเวอเรสต์แต่ว่าเจอมูลดินนะสูงแค่ไม่กี่สิบเมตรเนี่ยก็ท้อแล้วไม่กล้าปีนป่ายข้ามมันไปนะ เรื่งนี้จะไปถึงยอดข่าได้อย่างไรการคิดถึงนิพพานเนี่ยแล้วก็นึกถึงอุปสรรคที่เราต้องก้าวข้ามให้พ้นเนี่ยมันทําให้ความทุกข์ใดๆก็ตามที่เราเจอในชีวิตในแต่ละวันหรือในขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กหรือว่านึกถึงความตายของตัวเพียงแค่นึกถึงความตายมันก็ทําให้ความทุกข์ทุกอย่างที่เราเจอเนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดเพราะว่ามันไม่มีทุกข์อะไรที่ใหญ่กว่าความตา ย, ยแล้วโดยเพราะ ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยตอนที่กำลังจะตายเนี่ยเจ็บป่วยพังงาบ พ, พังงาบนี่สายลยองลยงเลยันอุบันทรมานมากแล้วถ้าความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยซึ่งเล็กน้อยเ ม, ะมะื่อเทียบกับความทุกข์ในยามที่ใกล้าตายเนี่ยเรายังผ่านไม่ได้แล้วเราจะตายสงบได้อย่างไรพอคิดแบบนี้เขาก็ทําให้ความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนึกถึงนิพพานและความตายซึ่งเป็นประโยชน์ตนนะอยากจะเข้าถึงนิพพานหรือว่าอยากจะตายสงบอันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ตนแต่อีกวิธีหนึ่งนะจะเรียกเป็นเทคนิคก็ได้ที่ทําให้ความทุกข์ของเราเล็กน้อยลงก็คือการนึกถึงผู้อื่นนะนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นนะมันก็ทําให้ความทุกข์ของเราเป็นเรื่องเล็กอันนี้ก็เป็นวิธีภาวนาแบบหนึ่งนะที่มันใช้ได้นะโดยเฉพาะกับคนที่ยังใช้ชีวิตทางโลกอยู่ การที่ถึงกับเอามาใช้เป็นบทนะบทภาวนาอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นแค่บทภาวนาแต่ว่าเป็นเรื่องของการออกไปหาความทุกข์เพื่อทําให้ความทุกข์ของเราเป็นเรื่องเล็กนะอันนี้เขเคยพูดถึงพุทธภาษิตนะที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับว่าช่วยเหลือตัวเองเมื่อรักษาผู้อื่นก็ได้ชื่อว่ารักษาตัวเองนะเนี่ยนี่คือความหมายหนึ่งนะก็คือว่า เมื่อเราช่วยปะยะมุ่งโดยมึงประโยชน์สุขของผู้อื่นเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์กับเรากลับคืนมาไม่ใช่เพียงแค่ช่วยลดอัดตราให้เราให้เบาบางแต่ยังช่วยทําให้ความทุกข์ของเราเล็กน้อยลงด้วยนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับใจของเรานะมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, นเป็นเรื่องเล่านะสืบต่อกันมามีภาพรูปหนึ่ง เ, เป็นคนที่ ชอบหงุดหงิดกับเรื่องราวต่างๆสารพัดไม่ว่าจะเป็นเสียงดังหรือว่ า, าฝนตกแดดออกใบไม้เยอะแกก็จะมีเรื่องให้หงุดหงิดให้ลาคาญใจนะให้โมโหอยู่เนืองๆนะทำอะไรก็มีแต่เรื่องบน่นก็อยู่ในสายต่างอาจารย์นะอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ อาจารย์นี่ก็เปลี่ยมมันก็หลวงพ่อนะแล้ววันหนึ่งก็เรียกพระรุ่มนี้มาแล้วก็บอกว่าให้ไปเอาเกลือมาจากโรงครัวเอามาห่อหนึ่งพอพระหนุ่มนี้เอามาเสร็จก็ท่านก็บอกเนี่ยให้โรยเกลือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยลงไปในในแก้วน้ําพระนุ่มก็ทําตามเสร็จแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดื่มน้ํานั้นซะ ดื่มเสร็จท่านก็ถามว่ารู้สึกยังไงเข็มมากเลยครับเข็มมากคราวนี้ก็ไปที่ทานน้ำนะลาทานที่หน้าวัดนะแล้วก็โรยเกลือลงไปที่เหลือโรยลงไปเสร็จแล้วก็ให้ตักน้ำในลําทานนั้นมาดื่มเป็นยังไงเจือดครับนะไม่เค็มเลยพระหนุ่มก็สงสยัยหลวงพ่อต้องการสอนอะไร แตคิดไม่ออกนะสุดท้ายหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยความทุกข์มันก็เหมือนเกลือนะมันจะเค็มมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยเป็นแก้วน้ําแก้วเลก็เลกๆหรือว่าเป็นลําธารายใหญ่เกลือเนี่ยก็เค็มเหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันจะทําให้เราทุกข์มันจะหนักหนาหรือว่าเบาบางเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของใจเรานะถ้าใจเราเล็กเนี่ยเหมือนแก้วน้ำเนี่ย มันก็ทุกมากแต่ถ้าใจเราเนี่ยกว้างเหมือนลําทานหรือถ้ากว้างขนาดเท่าแม่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ทุกเท่าไรเลยเนะอันนี้หลวงพ่อท่านก็สอนให้ตระหนักว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะทําให้ทุกหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ขนาดของใจเราว่าใจเราจะเล็กเท่าแก้วน้ําหรือว่าใหญ่เท่าลําทารนะการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นเนี่ยมันช่วยขยายใจของเราให้ใหญ่ นะถ้าเรานึกถึงแต่ตัวเองเนี่ยนะใจเรามันก็จะเล็กนะเหมือนแก้วน้ำํำนะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาเจอสิ่งที่เป็นลบมากระทบเนี่ยนะต้องพยายามขยายใจของเราให้กว้างขึ้นนะให้เหมือนกับลําทารหรือกับแม่น้ำเลยและเมตตากรุณาเนี่ยหรือว่าการที่เราคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยขยายใจของเราให้กว้างขึ้นนะ เมตตากรุณาเนี่ยมันช่วยขยายใจให้กว้างแล้วเราจะมีเมตตากรุณาได้ก็ด้วยการที่เรานึกถึงผู้อื่นนะที่มีความทุกข์จะทุกน้อยกว่าเราหรือทุกมากกว่าเราก็แล้วแต่นะถ้าเรานึกถึงเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่แค่นึกถึงนะแต่ว่าลงไปช่วยด้วยนะมันก็จะทําให้เมตตาของเราจเจริญงอกงามขึ้นมันเป็นเมตตาภาวนาแบบหนึ่งนะเมตตาภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่นั่งหลับตาแล้วก็นึกถึง ผู้อื่นแผ่ความสุขความปรารถนาดีให้เขาเท่านั้นแต่ถ้าลงไปช่วยด้วยเนี่ยไอการลงไปช่วยเนี่ยข้อดีคือว่าถึงแม้ใจยังเห็นแก่ตัวอยู่นะแต่พอลงไปช่วยได้สัมผัสความทุกข์ของเขามันก็เริ่มเห็นใจพอเริ่มเห็นใจแล้วมันก็ทําให้เกิดเมตตาพอทำพอเมตมีเมตตาแล้วใจเราก็กว้างขึ้นจากเดิมที่แค่เหมือนแก้วน้ําก็จะกว้างจนกระทั่งเป็นลําทาน อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งนะซึ่งมันก็ช่วยทําให้ความทุกของเราเนี่ยเล็กลงตัวกระทั่งบางทีอาจจะบรรเทาเบ า, บาบางไปเลยแล้วก็เกิดความสุขเข้ามาแทนที่เปรียบจะว่าไปก็เหมือนกับหัวใจของเรานะถ้าหัวใจเราเล็กเนี่ยมันก็แน่นไปด้วยอัตตามันก็ไม่มีที่ว่างให้ความสุขเข้ามาอยู่ในหัวใจเราได้หัวใจเล็กแต่อัตตาใหญ่เนี่ยนะ มันก็แน่นนะอัตตานี่มันเต็มห้องเลยมันก็ไม่มีที่ว่างให้หวัวให้ความสุขเข้ามานั่งในหัวใจเราแต่ถ้าหวัวใจเรากว้างนะเหมือนศาลานี้เนี่ยและอัตตามันเล็กนะมันก็จะมีที่ว่างเหมือนกับศาลานี้ก็มีคนมานั่งได้สองสรคนนะนะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีสิ่งมากีดขวางถ้าเราขยายใจของเราให้กว้างขึ้นอัตตาเล็กลง มันก็จะมีช่องว่างมีที่ว่างให้ความสุขเข้ามานั่งเข้ามาสถิตในหัวใจเรานะี่ย น, นี่ก็เป็นเคล็ดลับนะในการที่ทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นนะนนโครงการนะที่เขาได้ทำเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าก็คงจะแพร่หลายกระจายไปเพราะว่ามันน่าสนใจมากนะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบ ไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องอิงศาสนานะแต่ที่จริงก็คือปฏิบัติทํานั่นแหละนะแต่ว่าไม่มีคําว่าธรรมะหรือภาษาบาลีเข้าไปเลยนะยกเว้นคําว่าทุกนะทุกชีวิตมีค่าเนี่ยทุกแล้วขอขอไขกระับเนี่ยนะแต่นั่นคือการปฏิบัติทําอย่างหนึ่งนะโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะไปช่วยสัตว์พิการไปช่วยเด็กตาบอดนะไปช่วยคนแก่นะใช้แท็บเล็ตเนี่ย แล้วก็หลายคนก็เรียกว่าทั้งทุกคนก็รู้สึกดีขึ้นนะว่าความทุกข์ของตัวเองนี่นะมันเรียกว่าเลือนหายไปหรือเบาบางลงนะพอได้ได้ได้ไปทํากิจกรรมนี้ข้อแรกเนี่ยได้เห็นความทุกข์ของคนที่ลําบากกว่าเราเช่นคนตาบอดเนี่ยโอ้คนที่ตาบอดเนี่ยเขาความทุกข์เขานี่หนักหนากว่าดาราที่กลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ไ ม, ม่สับสนุนมันต่างกันเยอะนะ ความทุกเด็กตาบอดนี่คือตาบอดตลอดการตลอดชีวิตแม้แต่ทะเลก็ไม่รู้จักนะหน้าตาทะเลเป็นยังไงก็ไม่เห็นแต่ว่าความทุกข์ของดาราคนนี้ก็เพียงแต่ว่าแม่พ่อไม่สับสนนั่นเองเธอก็เชื่อว่าเห็นแล้วคงจะปล่อยวางได้นะก็คงต้องทำความชี้แจงทำความเข้าใจกับพ่อแม่ไปด้วยความอดทนนะแล้วก็ด้วยความยินดีว่าเออเรายัางทุกข์น้อยกว่าเขา อันนี้คือประโยชน์นหนึ่งนะคือมันได้เห็นว่าคนหน่งเขาทุกข์กับเราอันที่2เมื่อได้ช่วยเขาเกิดความสุขเกิดความสุขใจแล้วความสุขใจนี่มันก็จะช่วยขับไล่ความทุกข์ที่มีอยู่ได้เหมือนกับน้าเน่านะน้ำเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปไปดูดนะหรือว่าไปวิทออกนะเหนื่อยแค่ปล่อยน้ําดีเข้ามาปล่อยน้ําดีเข้ามาน้ําดีก็ไล่น้ําเน่าไปเอง อย่าไปเสียเวลาวิทนะเสียเวลาวิต์นี่มันเหนื่อยนะเวลามีความทุกเนี่ยนะจะไปพยายามกดข่มความทุกยังไงจนะไปรื้อถอนความทุกยังไงเนี่ยถ้าไม่มีวิชากรรมฐานนี่มันยากแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่ปล่อยให้ความสุขเข้ามาไม่ใช่ความสุขกายจะเป็นความสุขใจที่ได้ทำดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นความสุขนั้นมันก็จะช่วยนะขับไล่ความทุก ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆออกไปได้อันนี้เรียกว่าตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุข <c oughs> ให้ความสุขนี้ให้ด้วย <c oughs> ให้ด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยให้ด้วยวัตถุ ก, ก็ได้หรือว่าให้ด้วยน้ําใจให้ด้วยเวลาให้เวลาให้ความรู้สึกดีๆให้วิชาความรู้ก็ได้นะ ในตอนเดกันนะ้นเวลามีความมืดเนี่ยเราจะขับไล่ความมืดยังไงก็ไม่มีทางทําได้แต่เพียงแค่เราจุดเทียนแสงสว่างจากเทียนน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถจะขับไล่ความมืดไปได้ในระดับหนึ่งถ้าเราจุดเทียนหลายๆ ห, หลายเล่มความมืดก็หายไปมากขึ้นและถ้าเราเปลี่ยนจากเทียนกลายเป็นหลอดไฟนี่ความมืดก็เรียกว่าหายไป 60- 70% บเจ็ดอลยไม่ต้องขับไล่ความมืดแค่เอา แสงสว่างเข้าไปแสงสว่างนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงความรู้สึกตัวก็ได้ความสึกตัวเนี่ยมันก็ขับไล่ความหลงได้แล้วความสึกตัวนี้ก็ขับไล่ความทุกข์ได้แต่ถ้ายังไม่รู้สึกไม่ยังไม่รู้จักความรู้สึกตัวดีพอก็เอาเมตตากรุณาเนี่แหละมันจะทําให้เกิดความสุขแล้วความสุขก็จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่มันเจือจางไปถึงแม้มันจะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าเราทำํำบ่อยๆและยิ่งถ้าหากว่าหันมากลับมามองตนหันมาภาวนา ด้วยสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่ก็จะเป็นการช่วยรักษาตนนะแล้วเมื่อรักษาตนก็ช่วยรักษาพืชได้ด้วยนะถ้าเป็นการรักษาตนที่ถูกต้องก็คือเป็นการรักษาตนที่มุ่งขัดเกลากิเลสลดละนะความยึดติดถือมันมันก็ทําให้เมตตากรุณาเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อได้มีปัญญาเห็น ความจริงเห็นสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งนจนกระทั่งไม่มีตัวตนหลงเหลือเลยไม่มีความยุติในตัวตนกิเลสวิชาก็หายไปเมตตากรุณาของพระองค์ก็เกิดขึ้นในใจอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็กลายเป็นพุทธคุณสองประการคือพัะปัญญาคุณและพักกรุณาคุณปัญญานี่มาก่อนนะและกรุณาตามมาแต่ชาวุถุชนที่บางทีอต้องใช้กรุณาก่อนแล้วให้ปัญญาเกิดขึ้นตามมาก็ได้ อย่างหลวงพ่อมเฉียเนี่ยพอท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เข้าใจธรรมมาแล้วท่านก็เกิดความเกิดเมตตากรุณาต่อผู้คนมากมายนะช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากที่ทำมาไฟยอยู่ที่นี้รวมทั้งเมตตากรุณาแม้กระทั่งธรรมชาติรักธรรมชาติมากขึ้นท่านบอกก่อนที่จะปฏิบัติธรรมไม่ได้รักธรรมชาติขนาดนี้นะแต่พอเห็นธรรมก็จะเห็นว่าธรรมชาติกับธรรมนี่อันเดียวกัน แล้วก็รักนะต้นไม้ต้นหนึ่งที่โคตลม้มนั้นก็พยายามช่วยแล้วท่านก็ดูแลต้นไม้มาตลอดนะป่วยแล้วแก่แล้วแก่แล้วเราป่วยแล้ ว, ลวท่านก็ยังลดน้าต้นไม้นะจนกระทั้งสองสามาสุดท้ายเนี่ยท่านยังลดน้ําอยู่นะอันนี้พราะทำโดยเมตตากรุณ า, างั้นให้เราลองนึกนะคาถานะเวลามีความทุกเนี่ยลองนึกถึงความทุกของคนอื่นดูแล้วลงไปช่วยเขาดู เนะมตตากรุณาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์เราลดลงและอาจจะเป็นฐานให้ปัญญาได้เกิดได้ชาตที่พูดกันเท่านี้นะครับ